Oh. การฟังธรรมตามการเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งอันนี้เราก็ได้เพิ่งสาธยายนะเมื่อสับครู่ฟังธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความเฉพาะฟังพระเทศหรือบรรยายธรรมเท่านั้นนะจะรวมถึงว่าการได้ฟังอวามชี้แนะของกา ร, รยานามิตรหรือว่าสัตบุรุษหรือว่าผู้ที่เป็นบัณฑิต อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟังธรรมเหมือนกันรวมไปถึงการอ่านหนังสือและสมัยนี้มันก็รวมไปถึงการได้ดูข้อความที่ี่แนะให้เกิดพ่อคิดความเห็นในทางที่เป็นประโยชน์ด้วยการที่เราจะได้ฟังธรรมตามการหรือว่าอย่างสม่าเสมอเนี่ย มันก็มายถึงการได้รู้จักคบคนเนี่ยมงคลสูตร2ประการแรกเลยนะก็คือเนี่ยการไม่คบคนผ่านการครบบัณฑิตเมื่ออยู่ใกล้ชิดบัณฑิตหรืออยู่ใกล้ชิดสัตบุรุษนะมันก็มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมรวมทั้งสนทนาธรรมด้วยแต่ส่วนใหญ่นะคนก็ชอบฟังธรรมมากกว่านะ สนทนาธรรมนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะแบ่งปันหรือแม้แต่จะซักถามเนี่ยเวลามีคนมาหาก็าจะไม่ค่อยมีคําถามเท่าไหร่แต่เขาอยากจะให้อตมาเนี่ยแสดงธรรมให้เขาฟังพอถามเขาว่าเนี่ยอยากรู้อะไรล่ะสงสัยอะไรถามมีข้อข้องใจ มีเรื่องติดขัดอะไรก็ถามกับเงียบนึกไม่ออกอันนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ความคิดเท่าไหร่อยากจะฟังท่าเดียวเพราะฟังนี่มันง่ายฟังแล้วก็บางทีก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ที่จริงการฟังทำเนี่ยมันจะเป็นมงคลอย่างแท้จริงนี่มันต้องคิดนะต้องคิดตามไปด้วยคือใคร่ครวญ วา่าสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมีผลเพียงใดไม่ใช่แค่ว่าฟังเอาเพลินเดีย๋ยวนี้คนที่ชอบฟังธรรมจำนวนมากเป็นอย่างเนียนะฟังธรรมก็ฟังเอาเพลินเอาธรรมะเป็นเครื่องกล่อมใจแต่ว่าไม่ค่อยได้คิดใคร่กลวนะในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง อันนี้คิดขคข้ครวรแล้วนะนะมันยังไม่พอนะมันต้องไปปฏิ บ, บัติ ด, ด้วยแต่เฉพาะการคิดไข้ควรวนี้ก็อย่างที่ว่านะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่ที่จริงการฟังทำเนี่ยท่านจะมีธรรมะอีกข้อหนึ่งนะมากํากับด้วยนะ เรียกว่าโยนิสโสมนัสิการโยนิสโสมนัสิการเนี่ยพูดง่ายๆแปลสั้นๆคือรู้จักคิดนันถ้าเราฟังธรรมหรือแม้แต่อ่านหนังสือแต่ว่าเราไม่รู้จักคิดมันก็เหมือนกับว่าข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเป็นอย่างนี้กันมากทีเดียวข้าหูซ้ายทลุหูขวาเพราะว่า สิ่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือสมองเนี่ยมันไม่ได้ทํางานสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างหูซ้ายกับหูขวาเนี่ยนะคือสมองเนี่ยมันต้องต้องใช้งานนะเข้าหูซ้ายอะสมองก็คิดค่าครวนถ้าคิดค่ายครวนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทะลุหูขวาออกไปมันจะ อยู่ในใจต่อยู่ในใจหรืออยู่ในหัวสมองอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีการปฏิบัติมีการลงมือทาหรือเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปทำด้วยแต่ว่าตรงเนี้ยนะที่มันมีช่องว่างมากทีเดียวนะเพราะคนที่จะไม่น้อยเนี่ยนะฟังทมแล้วก็คิดแล้วก็เห็นดีนะว่ า, วาทำมากที่ได้ยินมานี่มันดีมันประเสริฐ แต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ค่อยเอามาใช้แก้ปัญหาหรือว่าแก้ทุกของตัวเองเท่าไหร่รวมทั้งการเอามาใช้เพื่อพัฒนาตนด้วยหลายคนพิจารณาทำแล้วเออก็เห็นว่าที่ท่านพูดมันดีนะที่ท่านสอนว่าออให้รู้จักปล่อยวางนะให้รู้จักให้อภัยนะเวลาโกรธใครก็ อย่าตอบโต้นะอย่าเพิ่งตอบโต้ให้ตั้งสติให้ดีอย่าเพิ่งพูดในขณะที่ยังมีความโกรธอยู่หรือว่าเวลาโกรธนี่ก็กลับมาตามลมหายใจกลับมารู้สึกตัวหรือมิฉะนั้นก็เดินหนนะีถ้าว่าคุมอารมณ์ยังไม่ค่อยได้หรือว่าเจออะไรเนี่ยก็ให้รู้จัก การต่อความอยากให้พอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อันนี้ก็เป็นธรรมะที่เรามักจะได้ยินนะจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่และเมื่อพิจารณานะเออเราก็เห็นว่ามันดีนะมันไม่มีอะไรที่จะผิดไปจากนี้ได้เป็นคำสอนที่ดีมากเลยแต่บางที นอกจากพอใจในสิ่งที่ได้ยินได้อ่านแล้วนะยังอยากจะแชร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้ชอบแชร์ข้อธรรมคำสอน <c oughs> ของครูบาอาจารย์หลายท่าน <c oughs> ก็มีหนะ้าที่แชร์โดยที่ไม่ทันได้คิดหรืออ่านไม่ครบจบประโยชน์ด้วยซ้ำแต่ว่าก็หลายคนนะก็เห็นดีกับข้อความเหล่านั้นก็แชร์ การแชร์นี่ก็แสดงว่าเห็นด้วยแต่ว่าจำนวนมากเลยนะไม่ค่อยได้ปฏิบัติถึงเวลาที่มีอะไรกระทบเกิดความโกรธใช่ไก็ใส่เลยตอบโต้เลยตวาดกลับไปหรือบางทีก็ด่ากลับไปแัน ท, ที่จะกลับมาตามลมหายใจกลับมาตั้งสตินะก็ มงแต่จ ะ, อะตอบโต้เรียว่าส่งจิตออกนอกอย่างเต็มที่เลยไอตอนที่ยังไม่มีความโกรธไม่มีอะไรกระทบนะเออที่ครูบาอาจารย์สอนนะเรื่องการให้อภัยนี่ดีนะแม่มันทําให้สงบเย็นหรือว่าที่ท่านสอนเรื่องการแผ่เมตตาอันนี้สอของแผ่เมตตาเนี่ยที่เราเพิ่งสวดมสัสโสโคนี่โอ้เห็นดีเลยนะเป็นคําสอนที่เยี่ยมมากวิเศษมากนะ ว่าเป็นพุทธภาสิตด้วยแต่พอถึงเวลานะมีอะไรมากระทบนะในสิ่งที่ทามันตรงข้ามนะกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าสิ่งที่เห็นดีเห็นงามด้วยนี่ถ้ามัาเป็นอย่างนี้นะได้ยินได้ฟังมามากนะที่เป็นธรรมะอันประเสริฐแต่ว่าถึงเวลา จำเป็นต้องใช้นะกลับไม่ใช้ทาสิ่งตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าหรือที่ครูบาอาจารย์สอนนี่เป็นพ่อะอะไรนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไอการเห็นดีเห็นงามเนี่ยหรือการใคร่ครวญเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากไอเรื่องความคิดเนี่ยนะมันคิดยังไงก็ได้หรือจะมีความเห็นอย่างไรก็ได้ พอ่อเป็นเรื่องความคิดแต่พอลงมือปฏิบัตินี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพื่ออย่างนี้คือสมองกับหัวใจนี่มันมันบางทีมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันเท่าไหร่สมองนี่ก็บอกเราว่าโอ้อยางคาสอนนี้ดีนะการรู้จักปล่อยวางการให้อภัยการไม่ตอบโต้พอใจสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ แต่พอจะลงไปปฏิบัติเนี่ยมันใช่เหตุผลอย่างเดียวไม่พอมันต้องความรู้สึกมันก็ต้องเคลิ้มคลอยหรือคลอยตามด้วยมันต้องมีปัจจัยสับสนอีกหลายอย่างในการที่เราจะเอาสิ่งที่เห็นดีเห็นงามเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดผล ความคิดก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่การปฏิบัติมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราก็คงจะทราบดีแต่ที่จริงมันก็มีคําอธิบายอย่างอื่นด้วยนะเช่นตอนที่มีการกระทบเนี่ยแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความอยากเนี่ย ตอนนั้นมันลืมนะมันลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของครูบาอาจารย์ไอที่เห็นดีเห็นงามไอที่คิดว่าโอ้โหเป็นคาสอนที่เยี่ยมที่ประเสริฐเนี่ยถึงเวลาจริงๆมันลืมนะลืมคนที่กำลังโกรธเนี่ยนะมันลืมไปน้าที่ครูบาอาจารย์สอนว่า ให้กลับมารู้สึกตัวให้กลับมาตามลมหายใจหรือลืมที่พระเจ้าได้สอนเรื่องว่าเวรไม่อาจระ ง, งับได้ด้วยการจองเวร น, นะแต่ระ ง, ง, งับด้วยการไม่จองเวรหรือที่ผู้เจ้าสอนวันนี้พึงเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนิยด้วยการให้เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเงี้ยใหตอนที่ได้ฟังนะแล้วก็ไข้ควโอ้เยี่ยมเลยนะ วิเศษมากประเสริฐมากแต่พอถึงเวลาเข้ามันลืมนะลืมลืมคาสอนแล้วก็ลืมตัวด้วยแต่บางทีก็ไม่ลืมนะบางทีไม่ลืมนะมันนึกออกแต่ว่ามันทำตามไม่ได้เพราะมีแรงต้านนะแรงต้านแรงต้านที่ว่านี่อาจจะเป็น แรงต้านของกิเลสนะเช่นเวลาโกรธนี่นะมันจะมีแรงต้านมากเลยนะกับความคิดว่าเนี่ยให้ใ ห, ให้ให้อภัยให้แผ่เมตตาเนี่ยมันต้านนมันไม่ยอมอะมันเป็นปรปักกันหรือว่ า, ามีความเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียของรักสูญเสียทรัพย์สินเนี่ย พอจะไว้ปล่อยวางเนี่ยมันแม้จะนึกออกนะว่าเออควรปล่อยวางนะแต่มันปล่อยไม่ได้ความเศร้าโศนี่มันมันยิ่งกลับทำให้เกิดความยึด ต, ติดมันจะมีแรงต้านนะไม่ให้เราเนี่ยปล่อยหรือวางสิ่งนั้นลงหรือเวลาเห็นอะไรเนี่ยอยากได้ขึ้นมาเนี่ย มีคำสอนนึกถึงคําสอนของท่านว่าเนี่ยพอใจสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้เนี่มันก็มีแรงต้านนะไม่ยอมอะเวลาโกรธใครขึ้นมาหรือทะเลาะใครขึ้นมาเนี่ยบางทีก็นึกได้นะที่ท่านสอนว่าเนี่ยเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธแต่มันก็มีแรงต้านว่าจะไม่โกรธมันได้ยังไงต้องโกรธมัน แล้วไม่โกรธไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่โกรธ ด, ด้วยนะไม่ใช่ว่าโกรธอย่างเดียวต้องด่ามันด้วยไม่งั้นมันได้ใจต้องสั่งสอนมันเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลข้ออ้างที่ตัวกิเลสมันปรุงขึ้นมาต้องสั่งสอนมันไม่งั้นมันได้ใจปล่อยไว้ไม่ได้เวลานี่ คำสอนของพู้จารย์ของครูบาอาจารย์ที่เคยคิดว่ามันดีวิเศษเนี่ยก็เลยถูกกลบไปไม่ใช่ว่าลืบนะนึกออกแต่ว่ามันไม่มีพลังไม่มีพลังที่จะดึงจิตดึงใจให้ทำอย่างนั้นได้อันนี้เรียกว่าเป็นแรงต้านของกิเลสนะ หรือเกิดจากการผลักดันของอารมณ์ซึ่งที่จริงก็คือตัวหลงนั่นแหละให้ตัวหลงเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยยอมให้เราทำตามตัวรู้หรือว่าตัวกุศลเท่าไหร่มันจะทำมันจะผลักให้เราทำสิ่งตรงข้ามแล้วนอกจากแรงต้านจากกิเลสแล้วนะ มันมีแรงต้านจากนิสัยความเคยชินด้วยคนที่ยึดติดถือมั่นเนี่ยอยู่เป็นประจำเนี่ยไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยวางเนี่ยนะไอตอนที่สบายๆนะมันก็เห็นดีนะเออปล่อยวางนี่ดีนะที่ครูบาอาจารย์สอนว่าทุกมีเพราะยึดนะทุกหลุดเพราะวางเออเห็นด้วยจริงเลย ไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เห็นด้วยเนี่ยจิตมันยังประเภทยอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เป็นกุศลมันก็เห็นด้วยแต่พอมีเรื่องกระทบนะคนเราก็มักจะทำตามความเคยชินเช่นเขาด่ามาเราก็ด่ากลับนะเขาโต้มาเราก็โต้กลับนะบางทีก็ใช้คว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมันมีความเคยชิน รวมต้องความยึดติดด้วยนะยึดติดอยู่เป็นประจำถึงเวลานี่จะให้ปล่อยให้วางนี่โกลับบอกว่าปล่อยวางเป็นเรื่องยากให้ความเคยชินนี่ยมันก็ทาให้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าดีเอาขอ้างจริงก็ไม่สามารถจะเอามาปฏิบัติได้นี่ยังก็ดูง่ายๆนะเรื่องการกินนะเราก็รู้นะว่าอาหารอย่างไรที่มันดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพอาหารแบบไหนที่มันไม่ดีมันเป็นโทษต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นระยะยาวแต่ความเคยชินนะในรสชาติของอาหารเนี่ยมันก็ทำให้ไอสิ่งที่คิดว่าดีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เราก็จะไปทำในสิ่งที่มันเคยชินทั้งทั้งที่บาง ท, ง ท, ทีก็รั่วไม่ดีนะ เช่นอาหารหวานมันเค็มเนี่ยกินเป็นนิสัยถึงเวลานี่มันก็อดไม่ได้จะต้องปรุงต้องเติมให้มันหวานให้มันมันให้มันเค็มอันนี้เราเป็นเป็นแรงต้านนะของนิสัยความเคยชินแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถนะเปลี่ยนมันได้นะถ้าเราคิดว่า ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเมื่อใคร่ควรแล้วว่ามันดีเราสามารถที่จะนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็นำมาปฏิบัติให้เกิดผลได้แต่มันเป็นเรื่องที่นะต้องส่เปัจจัยหลายอย่างนะเช่นความตั้งใจเนี่ยมันต้องมีความตั้งใจนะว่าเมื่อเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราจะ กลับมาตามลมหายใจนะเราจะไม่พูดนะไม่วยวายอะไรออกไปขณะที่ยังโกรธหรือว่าดียิ่งกว่า น, นั้นคื อ, อ, อรู้จักให้อภัยมีความตั้งใจแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าใหม่ๆมันทำไม่ได้มันอดไม่ได้ที่จะทำตามความเคยชินวย ว, ยวายออกไปรนะะบายอารมณ์ใส่ออกไป แม้กระทั่งคนใกล้ตัวแต่เมื่อเราเราลึกนึกขึ้นมาได้ว่า เ, าเออเผลอไปแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะตั้งใจทำใหม่ได้ให้ความตั้งใจนี่มันมันมีส่วนช่วยได้เยอะนะเหมือนกับเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยสร้างจังหวะเนี่ย เราตั้งใจว่าเนี่ยใจะให้ใจเนี่ยมารู้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายเมื่อเดินเมื่อยกมือก็รู้สึกนะตั้งใจให้ใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวแต่ใจมันเผลออยู่เรื่อยเลยเวลาเดินก็เผลอใจลอยหลุดไปแต่เป็นเพราะเรามีความตั้งใจหรือเป็นเพราะเรากําหนดใจให้มันอยู่กับกาย มันเผลอไปสักพักมันก็จะกลับมามันก็จะรเลื่ขึ้นมาได้ว่าเผลอไปแล้วก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบังทีเดินโยงกลมนี้ก็ไม่ต่าจากเดินเล่นนะเพียงแเพียงแตเดินเล่นเนี่ยเราไม่มีความตั้งใจที่จะกลับมารูนเนืน้อหรือตัวแต่เดินโยงกลมเนี่ยนะโดยพักเดินแบบหลวงวสัเทียนให้เดินสบายๆ บ, บางทีไม่ต่างจากการเดินเล่นเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างก็คือมันมีความตั้งใจมาประกอบ เดินเล่นเนี่ยมันไม่มีความตั้งใจที่จะกลับมารู้เน้อรู้ตัวมันก็เลยใจลอยเตลพึพือแต่ว่าเดินตรงตรมเนนะเรามีความตั้งใจที่จะกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวหรือว่ามารู้สึกและเห็นกายเคลื่อนไหวนั้นพอใจมันเผลอไปซึ่งเป็นธรรมดาในความตั้งใจเนี่ยมันจะมีส่วนกระตุ้นให้จิตเนี่มัระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วนะหรือเราลึกได้ว่า ควรจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทำทางใจการนะั้นมีความตั้งใจว่าเนเมื่อเราโกรธใครเราจะไม่ตอบโต้เราจะกลับมาตามลมหายใจหรือไม่เราก็จะเดินหนีหรือว่าถ้าเราโกรธใครเราจะพยายามให้อภัยไม่เอามาเป็นอารมณ์ใหม่ๆ ม, มันก็ทำไม่ได้นะแต่เพราะความตั้งใจมันมีเนี่ยมันก็จะทำให้เราลึกได้่าโอ นี่เราเผลอไปแล้วนะด่าไปแล้วจึงนึกขึ้นมาได้แต่ต่อไปต่อไปมันก็ทำให้เราเนี่ยเราลึกนึกขึ้นมาได้เร็วจนถึงจุดที่ว่าอยากจะเกือบจะหลุดปากข้าไปแล้วนะแต่ว่ายั้งเอาไว้ได้กลับมาอยู่กับลมหายใจมันจะทำได้ดีขึ้นเร็วขึ้นและถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรา เห็นว่าดีว่างามเนี่ยธรรมะเนี่ยเราก็จะนาเอามาใชนะ้กับตัวเราเองได้ไม่ใช่แค่คิดว่าดีแต่ไม่ได้ทำนอกจากความตั้งใจแล้วนะมันก็ต้องอาศัยการทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆทำเรื่อยๆแม้มันจะเผลอมังมันหลุดมังมันจะพลั้งบงั่งแต่ว่าก็จะพยายามทำนะอันนี้ก็ต้องอาศัยความตั้งใจด้วยนะความตั้งใจมันทำให้เราเนี่ยนะทำบ่อย แล้วการทำบ่อยๆนี่มันเออทำให้เกิดนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยเดิมเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนนะจนกว่าจะมีนิสัยใหม่ที่ตรงข้ามเนี่ยมาแทนที่แต่กลัป็มีนิสัยโวยวายตีโพย ต, ตีพายหรือว่าอยากได้แล้วก็อยากก็จะให้ได้ตามความอยากใครเ้ามีก็อยากจะมีบ้างหรือใครเขามีถ้าดีกว่าเราเราก็จะรู้สึกว่า เราต้องมีให้ได้อย่างเขาไม่ไม่มีความพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ถ้าว่าสิ่งที่เราได้สิ่งที่เรามีมันน้อยกว่าของคนอื่นเขามันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาอันนี้คือนิสัยเดิมนะแต่ว่าพอเราพยายามที่จะฝึกใจให้พอใจสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ใครเขาจะมีมากกว่าดีกว่า เ, ออเราก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจนะของที่เรามีหรือสิ่งที่เราได้เราก็ มีใจยินดีนะอันนี้เรียกว่ามันทำให้เกิดสันโดษขึ้นเสื่อเกิดขึ้นจากการที่เราทำซ้ำๆทำซ้ำๆทำบ่อยๆมันจะเผลอบ้างหลุดบ้างก็ก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยวางเท่าไหรนะ่ของที่หายไปก็ยังเก็บเอามาคิดด้วยความเสียดายเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วก็เก็บเอามาคิดด้วยความรู้สึกคับแค้น คุณมัวแต่ตอนหลังเนี่ยเราฝึกที่จะปล่อยจะวางมันก็ทำได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันต้องอาศัยความตั้งใจและการทำซ้ำๆและที่สำคัญอีกประการ น, นึงคือต้องมีสตินะมีสติเพราะสติมันช่วยทำให้เราสามารถจะรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่มันเคยเป็นตัวตัวค้านตัวต้าน เนี่ยจะเป็นความโกรธความโลภนะมันคอยต้านไม่ให้เราทำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตเอามาใช้แก้ปัญหาเอามาใช้รับมือกับเวลาเจอสาการต่างๆที่มากระทบแต่สติมันก็ทำให้เราเนี่ย เ, เกิดความระลึกขึ้นมาได้อย่างที่บอกเนี่ย ไอ้ที่เอาที่เราไม่สามารถจอธรรมะมาใช้ในชีวิตได้เนี่ย ท, ทั้งทั้งที่รู้เยอะเพราะเราลืมนะแต่พอมีสติขึ้นมาไม่ใช่แค่ระลึกได้ถึงข้อธรรมคำสอนของพระตถาจารย์หรือของครูบาอาจารย์แต่ยังเกิดความรู้เนอรู้ตัวด้วยซึ่งมันทำให้เป็นพลังให้กับความใ่ดีอ่นะ ใจเราก็มีความใฝ่ดีนะที่มันตรงข้ามกิเลสแต่ว่ามันอ่อนแอมันพ่ายแพ้กิเลสอยู่เรื่อยๆไม่มีแรงต้านกิเลสแต่พอเราเจริญสติแคลดิกันก็ทําซ้ําๆสิ่งที่เป็นความดีมันก็เป็นการเติมพลังให้กับคุณธรรมภายในใจเราจนกระทั่งสามารถจะมีแรงต้านเช่นความเมตตายมันก็จะมีพลังมากขึ้นจนสามารถที่เอาชนะความอิจฉาความพยาบาท ความโกรธความสันโดษมันจะมีพลังเอาชนะความโลภได้นะสติก็จะมีพลังเอาชนะความหลงลืมหรือตัวหลงอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ในสุดเนี่ยระหว่างความคิดกับการปฏิบัติเนี่ยมันมีช่องว่างน้อยลงสิ่งที่เราคิดว่าดีมันไม่ใช่แค่ความคิดแต่ปฏิบัติไม่ได้หรือทำตรงข้าม อะไรที่เราคิดว่าดีคติธรรมที่เราได้เรียนรู้มามันไม่ใช่แค่เรียนรู้เฉยๆนะมันเอามาปฏิบัติช่องว่างระหว่างสมองกับหัวใจก็น้อยลงช่องว่างระหว่างความคิดกับการกระทำมันก็จะน้อยลงการทำมากของกายเป็นสิ่งที่อยู่กับเนื้อกับตัวเรายิ่งถ้ามีการย า, ยรยายน้มิตรด้วยนะคอยช่วยสนับสนุนบางทีใจเราเนี่ยมันไม่มีแรงต้าน แรงมากพอที่จะต้านตัวกิเลสแต่ว่าเพื่อนหรือกัลยาณมิตรครูบาจารย์เนี่ยมันก็ช่วยเสริมพลังให้เรามีกำลังที่จะต้านทานอำนาจของกิเลสได้มันอยากจะให้เราดา่ามันอยากจะให้เราโวยวายตีโพยตีพายมันอยากจะให้เราตอบโต้นะแต่ว่าตัวคุณธรรมหรือความไฝ่ดีมันมีพลังมากกว่ามันก็ สยบไอ้ตัวกิเลสความอยากมันมีอยากจะมีอยากจะได้มากๆแต่ว่าไอ้ความรู้จักพอนี่มันมีพลังมากกว่ามันก็สามารถที่จะระงับยับยัง้งอำนาจของตัวโลภะนั้นได้ที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมานะเสริมพลังไฟดีให้มีขึ้นในตัวเราเอาละอันนี้ก็ะพุทธา น, นี้กราบพะ